หกสิบเจ็ดเรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของสองภา l i ละกีปรนิยมตัวแหวนตาด bril เขาลืมแว่นตาของเขาให้เ e t ไซเบร์ลฟึ่งเกเขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหนว a าเรตไอไซเบร์ล gelos นาลิกาดิอุลูสีนาลิกาของเขาสียะไรอรลูสีเวอรนี นาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้อง่เห้องห น, นังสือเดินทางทเขาทำหนังสือเดินทางของเขาหายแล้วเขาเอานังสือเดินทางไว้ที่ไหน a ่าร์สไซ a ั p o o ร์ดันพวกเขาของพวกเขาฮัลโลฮัลโลเด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบที่ n i ็กๆกั n นี่ฮั l โหลเออว์สฟ n นตแต่นั่นพ่อแม่ของพวกเขามาแล้วมาฮ h ร์กุมฮัลโ l ลเออ e r s คุณของคุณยัยเยวการเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณมิลเลอร์วเรรลอรยพัน า, าของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิลเลอร์วเลเลอร์คุณ u, ของคุณ อีการเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธฮูวาสอีไรส์มาสมสามีของคุณอยู่ที่ไหนคะคุณสมิธว s ร์สอีมันมาฟรูสมิธ